เรื่องคนมีบรันดาเป็นอุปชาเป็นต้นสมัยต่อมาพวกภิกษุให้กุลบุตรมีบันดาเป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีคนลักเพศเป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีภิกษุไปเขารีดเดรัจฉีเป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีสัตว์เดรัจฉานเป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีคนฆ่ามัรดาเป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีคนฆ่าบิดาเป็นอุปชาอุปสมบท ให้กุลบุตรมีคนฆ่าพระอรหันต์เป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีคนทำลายสงฆ์เป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตเป็นอุปชาอุปสมบทให้กุลบุตรมีอุปโตบยัญชนกเป็นอุปชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีบรันดอกเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎกุลบุตรมีคนละกเภทเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีภิกษุไปเข้ารีดเดรธีเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีสัตว์เดรัจฉานเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่ามารดาเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบท กุลบุตรมีคนฆ่าบิดาเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่าพระอรหันต์เป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนทำลายสงฆ์เป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีอุปโตเัญชนกเป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องเอาบัติทุกขกด วงเล็บสิบห้า